สิกขาบทที่6ว่าด้วยการอยู่คลุกคลีกับครือหัดเรื่องภิกษุณีจันทกาลี955สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทกาลีอยู่ครุกคลีกับขา้า บ, บดีบ้างบุตรข้าบดีบ้างบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิ